การศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการเป็นการเตรียมรับกับความทุกข์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม ถ้าเกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆไม่ช้าก็เร็วทุกข์ที่เราจะต้องพบก็คือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา และทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปนี่คือความทุกข์ต่างๆที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลหวาดกลัวถ้าได้มาศึกษา ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีเครื่องมือไว้รับกับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเหมือนกับการเตรียมเครื่องดับเพลิงตามอาคารต่างๆนี้มักจะมีเครื่องดับเพลิงเพราะถ้ามีไฟไหม ก็จะได้ดับได้ทันท่วงทีถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงเวลาเกิดไฟไหม้ก็อาจจะไหม้ไปทั้งทั้งอาคารได้หรือเหมือนกับพวกทหารที่ต้องคอยซ้อมรบอยู่เรื่อยๆเรยพราะทหารมีหน้าที่ไว้ป้องกันบ้านเมืองจากพูกที่จะมาลุกราน ถ้าไม่ซ้มรบไม่ศึกษาวิวธีต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเวลาเกิดมีข้าศึกศัตรูลุกเข้ามาในดินแดนก็จะไม่สามารถที่จะทำลายข้าศึกศัตรูได้ต้องมีการซ้อมรบอยู่เรื่อย เมืองไทยเหล่านี้มีการซ้อมรบช่วงนี้ก็มีเนี่ซ้อมรบกันเพราะไม่รู้ว่าจะมีผู้ที่จะมาลุกรานเมื่อไหร่ซ้อมไว้ดีกว่าไม่ซ้อมเตรียมไว้ดีกว่าไม่ไม่เตรียมเพราะถ้าเตรียมแล้วเวลามีความจําเป็นจะต้องใช้ก็จะใช้ได้เตรียมน้ำไว้เนี่ยเรามีหน่วยดับเพลิงตาม ตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆตามอำเภอตามเมืองต่างๆเพราะเราไม่ประมาทเวลาเกิดมีไฟไหม้ที่ไหนก็ส่งรถ ด, ดับเพลิงไปช่วยดับไฟได้ถ้าไม่มีรถ ด, ดับเพลิงเดี๋ยวอาจจะไ ฟ, ไฟอาจจะขย า, ายตัวไปอย่างกว้างขวา ง, วางไม่ไปทั้งบ้านทั้งเมืองได้ การเราจึงต้องมีเครื่องป้องกันภัยต่างๆเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งยิ่งเฉพาะภัยที่เข้ามาคุกคามจิตใจของพวกเราที่ทำให้พวกเราทุกคนต้องทุกข์กันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็แล้วมากหรือน้อยอจะต้องมีการเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมตัวซ้อมรบไว้อยู่เรื่อยๆเตรียมน้ําดับเพลิงไว้อยู่เรื่อยๆพอเกิดการบุกรุกเข้ามาหรือเกิดการเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะกําจัดภัยต่างๆได้นี่คือ การปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมเป็นการซ้อมรบเป็นการเตรียมน้ำดับไฟที่ต่อไปจะต้องเกิดขึ้นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เรารู้ว่าเราจะต้องตายเช่นไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคร้ายไม่สามารถที่จะรักษาได้ ตอนนั้นเรารู้แล้วความตายนี้ต้องมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเตรียมซ้อมรบไว้ก่อนเตรียมรับความตายไว้ก่อนเวลาความตายบุกเราจะไม่เดือดร้อนเราจะกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้นี่คือประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมคำสัง่งคําสอนของพระพุทธเจ้า และการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงคอยเน้นอยู่เรื่อยๆว่าจงอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าจะไม่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่าประมาทให้รีบเตรียมซ้อมรบไว้ให้ดีให้เตรียมน้ำดับไฟไว้ให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเกิดภัยเข้ามาแล้วจะ เตรมตัวไม่ทันอย่างที่ทรงสอนให้ชาวพุทธมันระลึกอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาคือความตายนี่เองพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนุ์ว่าอานุ์วันหนึ่งหนึ่งนี้เธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งพระอานุ์ก็ตอบว่าสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลือด หรืออะไรทำนองนั้นพระพุทธเจ้าบอกอานนนเธอยังประมาทอยู่เพราะว่าภัยที่จะคุกคามเธอนี้ความตายนี้มาได้ทุกเวลานาทีไม่ใช่จะมาแต่เฉพาะตอนเช้าตอนกลางวันเท่านั้นมาได้ตลอดเวลามากับลมหายใจเข้าออกนี่แหละอานนนถ้าเธอหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกความตายก็มา าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าความตายก็มาดังนั้นเธอควรจะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าเธอจะมีเครื่องมือรองรับความตายได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายได้แล้วเธอก็ไม่ต้องระลึกอีกต่อไปเพราะเธอพร้อมที่จะรับมันได้ทุกเวลานาที อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องความไม่ประมาทนะอย่าประมาทเพราะประมาทแล้วเราจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอวันนี้ยังไม่ทําวันนี้ติดธุระวันนี้ต้องไปทํางานต้องไปเที่ยวต้องไปงานคนนั้นงานคนนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆเดินเวลาฟังเทศฟังธรรมไป เลื่นเวลาปฏิบัติธรรมไปมันจะทําไปจนติดนิสัยไปมันจะประมาทมัน ม, มันจะไม่คิดว่าความตายนี้อยู่แค่ปลายจมูกนี่จะคิดว่าอยู่นูน่นเฮ้ยตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่กว่าจะตายก็นูน่นแปดสิบเก้าสิบปีนูน่นเลี่ยงไปทําไมให้เสียเวลาตอนนี้สู้มา ทาอะไรที่เราอยากทําไม่ดีกว่าเลยจะคิดอย่างนี้กันพระพุทธเจ้าเลยสอนให้หมันระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้ท่องบทที่ทรงสอนให้ท่องคือเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา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 เหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คอยจะเตือนภัยอยู่เรื่อยว่า เ, าเกิดแผ่นดินไหวแล้วนะจะมีสึนามิมาแล้วนะให้รีบย้ายขึ้นที่สูงอันนี้ถ้ามีการเตือนภัยล่วงหน้าก็จะไม่มีการสูญเสียจะไม่มีคนตายกันแต่ที่ตายกันเป็นแสนนี้ก็เพราะว่าไม่มีการเตือนภัยกัน พอเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่มีการเตือนว่าจะมีะคลื่นยักษ์ตามมาผู้ที่อยู่ตามชายฝั่งชายทะเลนี้ต้องเตรียมย้ายขึ้นที่สูงก็ประมาทกันอยู่กันตามปกติถึงแม้บางทีมีภัยมาปรากฏก็ไม่เข้าใจความหมายเช่นอยู่ดีๆน้ำที่เคยเต็มนี้กลับไหลออกไปหมดจนแห้ง ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเริ่มต้นของพลื่นยักษ์ที่จะไหลเข้ามาต่อไปก็ยังเดินกันปนเปียนอยู่แถวชายหาดนั้นพอถึงเวลาที่คลื่นใหญ่เข้ามาก็หนีไม่ทันถูกซัดจมน้ำตายกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะความประมาทนี้ ไม่เห็นภัยไม่คิดว่ามีภัยจะคุกคามตนเองเลยไม่เตรียมการหน่ออันนี้ก็เหมือนกันพวกเราทุกคนที่เกิดมา น, นี้มีภัยติดตัวมาติดตามเรามากันทุกคนแล้วมันจะต้องตามเราทันไม่วันใดวันหนึ่งมันไม่ได้มาเป็นสูตรมันไม่ได้มาเป็นขั้นตอน มันไม่ได้มาว่าต้องแก่ก่อนแล้วต้องเจ็บก่อนแล้วต้องตายก่อนแล้วค่อยตายบางทีมันมาพิกขั้นตอนกันไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บก็ตายได้เกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ตายขึ้นมาทันที ท, ท, ทั้งๆที่ร่างกายยังไม่แก่ยังไม่เจ็บเลยแต่ก็ตายได้ หรือว่ายัางไม่ทันแก่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเด็กทารกบางคนเกิดมานี้มีโรคติดตัวมาแล้วก็ถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจจะตายได้ น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แต่เราโชคดีที่เรามีพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ส่งคนพบวิธีที่เราจะ สามารถรเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเลยเราสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดจากการที่เราต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายพบกับการพัดพรากจากกันพบกับการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราจะสามารถพบได้อย่างสบาย ไม่เดือดร้อนไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัวไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลนี่คือประโยชน์จากการที่เรามาศึกษาและมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ เราต้องทำแบบจริงจังอย่าไปทำแบบเล่นๆหรือทำแบบเสียไม่ได้ทำแบบอพอทำแบบอพอหอมปากหอมค อ, อทำแบบนี้จะไม่ค่อยได้ผลจะต้องทำแบบจริงจังทำแบบมืออาชีพทำเต็มร้อย ท่านเรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ที่ทำเต็มร้อยนี้ก็จะกลายเป็นพระสุปฏิปันโนไปเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจคือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกัน ทุกที่เกิดจากการต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรานาะและทุกสุดท้ายก็คือทุกที่จะเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจะไม่มีทุก์อีกต่อไปจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแบบเต็มร้อยแบบสุปฏิปันโนนั่นเอง ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พุทธเจ้าสรงสั่งสอนเหมือนกับทําข้อสอบที่ครูอาจารย์ให้ทําให้ตอบอาจารย์ส่งข้อสอบมาสิบข้อให้เราตอบแล้วต้องตอบให้ได้ทั้งสิบข้อถ้าเราตอบครบสิบข้อเราก็จะได้คะแนนเต็มร้อยได้เกียรตินิยมอันนี้ก็เหมือนกัน การศึกษาการปฏิบัติธรรมคำสั่งคำสอนนี้เป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเล่นะเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายจริงจังเหมือนกับเวลาคนไม่สบายไปโรงพยาบาลนี้หมอก็ไม่รักษาแบบเล่นเล่นเขารู้ว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนไข้ฉุกเฉินคนไข้ที่มี มีบาดแผลมีเลือดไหลามากเนี่ยเขาต้องรีบหยุดเลือดให้ได้ก่อนถ้าไม่เช่นนั้นเล้าคนไข้ตายได้ก่อนที่จะรักษาอะไรนี่เขาต้องห้ามเลือดก่อนเพราะการเสียเลือดในร่างกายไปนี้จะทำให้ร่างกายอยู่ไม่ได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เวลาไปห้องฉุกเฉินนี่เขาจะพยายามหยุดการไหลของเลือดก่อนเพื่อที่จะได้ ประคับประคองให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ถ้าเลือนไม่พอก็อาจจะต้องมีการถ่ายเลือนมีการให้เลือดแล้วค่อยมาดูว่าต้องรักษาอะไรต่อไปที่หลังหม อ, อเขาทำกันแบบจริงจังไม่ใช่ทำกันแบบเล่นเล่นถ้าคนไข้มากำลังทำอะไรอยู่นี่ต้องทิ้งไว้หมดเลยมี งานอย่างอื่นทำอยู่ที่ไม่สำคัญก็ปล่อยไว้ก่อนรีบมาทำงานที่สาคัญนี่ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ปล่อยประละเลยไม่ได้ถ้าปล่อยไปแล้วคนไข้าตายได้นะใจเราก็เป็นเหมือนคนไข้ที่เข้าห้องฉุกเฉินนี่ต้องการรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์จากหมอจากยาอย่างทันที อย่างเต็มที่ใจของเราเนี่ยกำลังอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ไม่มีแต่เราต้องเป็นหมอของเราเองเพราะการรักษาโรคใจนี้คนอื่นรักษาให้ไม่ได้ได้ทำได้ก็เพียงสอนวิธีรักษาใจเหมือนพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้จักวิธีรักษาโรคของใจ แต่พอเราเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนี้ไม่มีใครจะรักษาให้กับเราได้เราต้องรักษาเองถ้าเราไม่ศึกษาวิธีรักษาไว้ก่อนไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่ลองทำดูก่อนพอจิตใจเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนี้จะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมีแต่ปล่อยให้เศร้าโศกเสียใจ ปล่อยให้วิตกกังวลปล่อยให้หวาดกลัวไปต่างๆนาน า, นาจนบางทีถึงกับขั้นเสียสติไปก็มีนี่เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาบางทีไม่ได้เกิดกับร่างกายของตนเอง แต่ไปเกิดกับร่างกายของคนที่รักก็แทบจะทำให้ช็อกได้บางทีบางคนถึงกับตายตามไปก็ได้เวลาที่รักเสียคนที่รักไปมากๆนี่พอคนรักตายไปนี่จิตใจเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะอ ย, ะอยู่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้จะอยู่กับใครเมื่อก่อนมีเพื่อนอเพื่อนคู่หู เพื่อนรักเพื่อนตายอยู่ด้วยกันพอวันดีคืินดีเขาจากไปเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีรถไม่มีชาติอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขมีแต่ความเศร้าคิดถึงแต่คนที่จากไปก็จะทำให้บางทีซึมเศร้าและตายไปต่อไปในระยะเวลาอันไม่นาน ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ดาราภาพายนตร์สองแม่ลูกเนี่ยพอลูกสาวเสียไปไม่กี่วันแม่ก็เสียตามไปเพราะว่าสนิทกันมากรักกันมากเป็นเพื่อนกันเป็นแม่เป็นลูกกันพอคนหนึ่งจากไปก็อเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรต่อไปชีวิตมันไม่มีเป้าหมายเสียแล้ว นี่แหละเพราะว่าไม่ได้มีการศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนส่วนหนึ่งที่ไม่ศึกษากันก็เพราะไปกลัวศาสนาไปคิดว่าศาสนานี้เป็นขององมงายเป็นของที่ทำให้คนโง่ไม่ได้ทำให้คนฉลาดจึงไม่กล้าเข้าหาศาสนากันกลัวศาสนากันกลัวจะถูกล้างสมอง คนในยุคปัจจุบันนี้ที่มีการศึกษาสูงๆนี่แทนที่จะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของศาสนากลับไปเห็นภัยเห็นเห็นว่าศาสนาเป็นภัยกลัวจะถูกบอมเมาเพราะศาสนาสั่งสอนในเรื่องที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ด้วยเห็นได้นั่นเองสั่งสอนเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องบน เ, เรื่องบาป เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้เขาก็เลยกลัวว่าจะถูกหลอกเลยไม่อยากที่จะเข้าหาคำสั่งคำสอนแต่ศาสนาพุทธนี่มีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งก็คือถึงแม้จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนาลกเรื่องสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่สามารถเห็นได้กับตาแต่มีสิ่งที่าศาสนาสอนว่าเห็นได้ก็คือความทุกข์ใจนี่แหละความทุกข์ใจที่เกิดจากการมาเจอกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพากจากกันเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ หน้าปารถาาที่ไม่น่าอยากจะพบเนี่ยอันนี้ถ้าลองเอามาปฏิบัติโดูจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้แต่มันก็ต้อง <c oughs> ทุ่มเทชีวิตจิตใจซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ยินดีที่จะทำเพราะยังคิดว่าการหาความสุขที่ตนกำลังหาอยู่นี้เป็นวิธี ที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ก็เลยไม่ยอมเข้ามาศึกษาไม่ยอมเข้าหาศาสนาทั้งๆที่บางคนก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าศาสนาพุทธนี้สอนในเรื่องที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่สามารถพิสูจน์ได้ส่วนสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้นั้น ถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติไปต่อไปเราก็จะพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้แน่ๆก็คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายพบกับการพัดพรากจากกันพบกับการสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบ หรือพบกับการพบกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ต้องต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนิน เพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปนี้ดำเนินไปในทางที่จะที่จะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาต่อไปไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ความทุกข์ที่ดับก็เป็นความทุกข์ก็ดับแบบชั่วคราวแต่จะต้องแต่จะต้องไปเจอกับความทุกข์ที่ดับไม่ได้ต่อไป อันนี้เลยเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่เหมือนกับประมาทเพราะว่ามีวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แต่ก็ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามไม่พร้อมในแบบระดับหนึ่งก็คือกลัวจะถูกหลอกกลัวจะถูกอมอมเมา ให้เชื่องมงายหรือพวกที่ได้ศึกษาด้วยเหตุด้วยผลก็รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้แต่ก็อ้างว่ามันยากหรืออ้างว่ายังไม่พร้อมยังมีภาระอะไรต่างๆเช่นมีครอบครัวมีหน้าที่อะไรต่างๆ หรื อ, อยังติดกับการหาความสุขแบบเดิมอยู่คือติดกับการเที่ยวการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดกับความสุขที่ได้จากการได้ลาบยศจรรลเสริญอยู่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าหาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตาม ถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ทำได้ก็พอแบบพอหอมปากหอมคอแต่ยังไม่ได้ทำแบบที่จะให้เกิดผลได้เต็มร้อยนี่คืออุปสรรคต่างๆที่ทำให้คนแทนที่จะเข้าหาของวิเศษกับไม่เข้าหากัน กลับไปเห็นของที่ไม่วิเศษว่าเป็นของวิเศษท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับไก่ที่เวลาไก่ได้พลอยไก่นี้จะคุยเขียหาอาหารหาไส้เดือนหาตัวนอนแต่เวลาไปเจอปลอยเจอเพชรนี่จะเขียทิ้งเขียทิ้งเพราะไม่รู้จักคุณค่าราคาของเพชรของปลอย ว่ามีคุณค่าราคามากกว่าตัวหนอนไส้เดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวถ้าสามารถถ้ารู้ว่าถ้าเอาเพชรเอาพลอยนี้ไปแลกเปลี่ยนจะได้ตัวหนอนไส้เดือนนี้กินไปจนวันตายจะไม่มีวันหิวอีกต่อไป <c oughs> แต่ไม่รู้ไม่ฉลาดพอพอได้เพชรได้พลอยก็เขียยทิ้งเขียดทิ้งไป คอยหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน ừ. ก็เลยต้องหากินไปวันๆตามตามบุญตามกรรมบางวันก็หาได้บางวันก็หาไม่ได้ ừ. เวลาหาไม่ได้ก็ต้องทนหิวไปอันนี้ก็เหมือนกัน ừ. ใครที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่สนใจเข้าหาไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอน ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็เป็นเหมือนพวกไก่ที่ได้พลอยนี่บางทีเกิดมาในประเทศของพุทธศาสนาเช่นประเทศไทยเนี hmm. ่ยเกิดมาในครอบครัวที่เป็นพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัติแบบสุปฏิปโนกันปฏิบัติแบบงมงายกันปฏิบัติไม่ตรงกับหลักคมคำสั่งคำสอน หรือปฏิบัติแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นเองส่วนที่ง่ายก็ปฏิบัติส่วนที่ยากก็ไม่ยอมปฏิบัติส่วนที่ง่ายที่พทธเจ้าสอนคือการทำบุญทำทานเชาวพุทธเรานี่จะเมืองไทยนี้เป็นเมืองบุญคนไทยทุกคนนี้ชอบทำบุญเห็นพระเดินมานี่เดี๋ยวต้องรีบหาอะไรมาขอใส่บาตรกันนะ เรื่องทำบุญนี้พร้อมแต่พอเรื่องรักษาศีลนี่ถอยกันพอให้รักษาศีลห้านี่ถอยกันเป็นเหมือนกับมดเจอไฟพอเจอไฟนี่ถอยกันไปบดพอให้รักษาศีลห้าอย่าไปพูดถึงรักษาศีลแปดอย่าไปพูดถึงการไปอยู่วัดปฏิบัติธรรม ไปถืออุโบสถศีลไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี่หรืออย่าไปพูดถึงเรื่องบวชเลยบวชก็เป็นบวชเอกแบบหนึ่งเหมือนกันบวชแบบเอาบุญบวชไม่ได้บวชเพื่อศึกษาปฏิบัติกันบวชตามธรรมเนียมประเพณีกันเพราะมีความเชื่อว่าการบวชนน้ได้บุญที่จะส่งให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ ก็ยอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็บวชกันแต่บวชแล้วไม่ได้เข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนเลยเข้าก็ไม่เข้าใจไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามมีครูบาอาจารย์สั่งสอนมีหนังสือให้อ่านบางทีก็ไม่อ่านถ้าฟังบางทีก็ฟังแบบใจลอยฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่นําเอาไปปฏิบัติ เพราะใจมัวแต่จะรับนับวันที่จะเสร็จนั่นเองพอบวชมาแรกก็เริ่มนับถอยหลังแล้วสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันเนื้อสมัยก่อนนี่บวชยาวหน่อยหนึ 1, ่งพันษาแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งสั้นลงสั้นลงเพราะว่ า, าต้องทำงานกันแล้วบริษัทนี้เขาไม่อนุญาตให้ลายาว ลาได้อย่างมากก็สิบห้าวันก็เลยเอาแค่สิบห้าวันบางพวกนี้เอาแค่เช้าบวชเช้าสึกเย็นเออพ่อแม่ตายก็เลยตอนที่พ่อแม่อยู่ยังไม่มีโอกาสจะบวชให้ก็เลยขอบวชตอนวันเผานี่แหละบวชบวชเช้าพอเผาเสร็จตอนเย็นก็สึกว่าพอบวชเพื่อให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ไง มีความเชื่ออย่างนั้นว่าการบวชของลูกๆนี้เป็นการเกาะชายผ้าเหลืองของพ่อแม่เพราะการบวชนี้ผู้บวชจะได้ไปสวรรค์เพราะได้รักษาศีลศีลนี่แหละเป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้ไปนรกแล้วก็ถ้าได้ทาบุญรักษาศีลก็จะได้ไปสวรรค์ก็เลยคิดว่าการบวชนี้เป็นการ ให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์นถ้าไม่สามารถบวชตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ได้บางคนก็ขอบวชส่งท้ายก็ยังดีบวชวันเผาเนี่ยบวชตอนเช้าศึกตอนเย็นไม่ต้องขาดอาหารเย็นพอศึกเสร็จก็ยังกินข้าวเย็นต่อได้บวชแบบนี้เขาเรียกว่าบวชแบบไม่ได้อะไรบวชได้แต่กิริยา หรือเป็นการจัดฉากเหมือนกับภาพยนตร์ที่เขาใช้เห็นฉากที่เขาจัดนะเวลาดูหน้าหน้าฉากนี่สวยงามงดงามพอเดินไปข้างหลังฉากนี่เป็นไม้เป็นอะไรเกะกะลกลุงนังไปหมดไม่ได้เป็นบ้านเป็นช่องเป็นตึกเหมือาที่เห็นกันในในจอภาพเพราะมันเป็นฉากที่เขาจัดกันขึ้นมาทั้นเองการบวดในสมัยนี้สาหรับ คนไทยส่วนใหญ่ก็บวชแบบจัดฉากกันบวชแบบมีกิริยาบวชแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นสักขีปยานถ่ายร่วมกับพ่อกับแม่ถ่ายอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปเวลาลูกมีลูกมีห ล, ลานจะได้ลูกหลานดูว่าพ่อเคยบวชเผื่อลูกอยากจะมีศรัทธาบวชให้พ่อบ้างต่อไปก็จะได้บวชได้ แต่นี้ไม่ใช่เป็นการบวชตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บวชกันการบวชนี้พระเจ้าบอกว่าบวชเพื่อให้มาหยุดความทุกข์ต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดหรือที่เกิดแล้วก็ให้มันดับไปให้มันหายไปนี่การบวชที่แท้จริงนี้บวชเพื่อดับความทุกข์ดับเพื่อบวชเพื่อไปพระนิพพาน เพราะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์แบบเต็มร้อยถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานยังดับความทุกข์ไม่ได้ครบท่วนบริบูรณ์ยังต้องกลับมาเกิดอีกในระดับต่างๆถ้าได้ระดับพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่น้อยก็ไม่มากกว่าเจ็ดชาติเถ้าได้ระดับที่สองพระสกิดาคามี ก็จะกลับมาอีกไม่อีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากถ้าเป็นพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดในโลกของมนุษย์หรือเทวดาแต่ยังจะไปเกิดในโลกของพรหมพอได้ขั้นที่สี่นั่นนะถึงจะหลุดออกจากไตรภพได้หลุดออกจากพบของมนุษย์เทวดาหลุดออกจากพบของพรหมได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่แหะคือเป้าหมายที่แท้จริงของการบวชบวชเพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้บวชพระพุทธเจ้าเลยตั้งชื่อว่าภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารผู้ใดที่ยังไม่ได้บวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องติดอยู่ใน วัฏฏะสงสารไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะอย่าต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆตายแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์บ้างไปอบายบ้างไปนรกบ้างพอพ้นจากอบายพ้นจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่มาหาลาบยศสารเสริญหาอะไรต่างๆกันใหม่ หาได้มากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวพอเวลาตายไปก็ต้องพัดพากจากกันไปก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปนี่คือคำว่าภัยในวัฏฏสงสารที่ไม่มีอะไรจะมากำจัดได้นอกจากการบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่บรรลุถึงพระนิพพานส่วนใหญ่จึงเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีในสมัยพุทธกาลต้องบวชถึงจะสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยนั่นเองถ้าไม่บวชนี่มันมีภารกิจการงานมีการเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มร้อยแต่ก็ ได้ปฏิบัติบ้บางถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนขับรถในเลนช่องเลนซ้ายรถวิ่งช้ารถบรรทุกรถโดยสารที่ต้องคอยจอดรับส่งผู้โดยสารหรือจอดอส่งสินค้ารับสินค้าก็จะไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับรถที่ช่องขวาอยู่ในช่องขวารถช่องขวานี้วิ่งแบบไม่หยุดเนี ว่าไม่มีผู้โดยสารไม่รับสินค้าไม่ส่งสินค้าไม่รับส่งผู้โดยสารขับไปพุ่งไปที่เป้าหมายที่จุดหมายปลายทางเลยก็จะไปถึงได้เร็วพวกที่อยู่เลนซ้ายนี่บางทีไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางรถพังซะก่อนรถเสียซะก่อนคือตายกันไปซะก่อนส่วนใหญ่ตายก่อนที่จะไปถึงวันนิพพานกัน มีน้อยคนที่เป็นข้อยกเว้นที่สามารถไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่บวชเน่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นที่จะไปถึงพระนิพพานได้ในภพนี้ชาตินี้ตามเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดเอาไว้คือถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนะถ้าใคร มาบวชแล้วมาปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานสูตรได้พระพุทธเจ้าส่งรับประกันว่าจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะต้องได้อย่างแน่นอนเพราะนี่คือเหตุผลนั่นเองเหตุก็คือการปฏิบัติเต็มร้อย ผู้ที่จะปฏิบัติได้เต็มร้อยก็คือพระภิกษุนี่เมื่อบวชแล้วในสมัยพุทธกาลนี้จะไม่มีภารกิจอย่างอื่นให้ภิกษุมาปฏิบัติเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ภารกิจที่พระภิกษุไม่ควรปฏิบัติก็เต็มไปหมดเลยภารกิจที่ภิกษุควรปฏิบัติก็หายไปเลยภารกิจที่ภิกษุผู้ที่ปรารถนา การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้คืออะไรก็คือคันถะธุระวิปั ส, สนาธุระนี่มีธุระอยู่สองธุระด้วยกันคันธะธุระก็คือการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปั ส, สนาธุระก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงใน เรื่องของความทุกข์และเหตุของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะดับความทุกข์ได้อย่างไรนั่นเองเรียกว่าวิปัสสนาธุระตอนต้นศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลังจากหลุดพ้นแล้วก็มาทำธุระ ที่ไม่บังคับให้ทำแต่ทำเพราะถ้ามีความสามารถมีความถนัดจะทำก็ทำได้คือการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่บางท่านอาจจะไม่ถนัดก็ไม่ได้สั่งสอนก็มีหรือสั่งสอนก็สั่งสอนแบบไม่ละเอียดสั่งสอนพอให้รู้ข้าวๆ ว, ว่าเป็นอย่างไร Mm. An, พระผู้ที่หลุดพ้นแล้วนี้ท่านจะเป็นครูอาจารย์ต่อไปจะเป็นครูอาจารย์ที่เก่งหรือไม่เก่งก็อยู่ที่ความสามารถในการพูดในการแสดงธรรมบางองค์ท่านมีความสามารถที่จะแสดงธรรมก็จะมีลูกศิษย์ลูกขามาศึกษามากองค์ที่ไม่มีความสามารถที่จะแสดงธรรมก็จะไม่มีลูกศิษย์ลูกหามาก อันนี้เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละองค์ที่มันเป็นเหมือนกับนิสัยที่ติดตัวท่านมาไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่อยากจะสอนหรือขี้เกียจสอนแต่ท่านสอนแบบละเอียดแบบที่ทำให้คนฟังแล้ว เ, เกิดความเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี้ก็อาจจะไม่มี ก็สอนได้แบบรวมรวมว่าให้ทำอย่างนี้ไปทดลองทาเอาเองอันนี้ก็บางทีก็ทำให้ผู้ที่ยังไม่ฉลาดพอก็อาจจะไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็อาจจะไปเปลี่ยนหาครูบาอาจารย์รูปที่สามารถสั่งสอนให้เกิดความเข้าใจและถ้านำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้นะ อันนี้คือทุระของพระภิกษุแต่สมัยนี้ทุระเหล่านี้แทบจะหายไปหมดนะทุระอื่นนี้เข้ามาคือทุระเกี่ยวกับเรื่องบุญบังสังสวดเป็นส่วนใหญ่<ม>เพราะนี่คือสิ่งที่ศรัทธาญาติโยมผู้คองเรือนถนัดที่จะทำก็เรื่องของงานบุญบังสังสวดนี่นิมนต์ไปงานบุญต่างๆ บุญฉลองเจดีบุญฉลองโบสถ์บุญวันเกิดบุญวันอะไรต่างๆเรียกว่างานบุญบางทีก็อยากจะถวายสังฆทานให้แกับพระภิกษุก็เรียกว่าสังบุษสังบุญบางบังก็คือบางสกุลเวลามีงานศพก็นิมนต์พระไปชักผ้าบังสกุลบุญบางสังสวด บางทีก็อยากจะนิมนต์พระมาสวดขึ้นบ้านใหม่เวลาเีลาขึ้นบ้านใหม่เพื่อปัดภัยอันตรายต่างๆขับไล่ปีศาจอะไรที่จะมาคอยทำให้คนอยู่ในบ้านอยู่แบบไม่สุขอะไรต้องนิมนต์พระมาสวดไล่ซะหน่อยนี่คือกิจในปัจจุบันนี้สำหรับพระที่มาบวชกันส่วนใหญ่ คือบุญบางสังส่วนมีตกิตเหล่านี้ทั้งนั้นเลยมันเลยทําให้ไม่เข้าถึงตัวอธรรมะคาสัง่งคําสอนมีแต่งานบวชงานอะไรบวชก็เป็นงานบวชแบบบวชเป็นพิธีบวชเป็นการจัดฉากบวชเช้าศึกเย็นบวชเจ็ดวันบ้างบวชสิบห้าวันบ้างก็มามั่วยุ่งกับการเวลาบวชก็ต้อง ก็ต้องนิมนต์พระเวลาศึกก็ต้องนิมนต์พระพระเลยไม่ต้องทำอะไรคอยทำแต่เรื่องกิจกรรมเหล่านี้เลยไม่รู้เรื่องของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีไว้เพื่ออะไรและเมื่อได้ศึกษาแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อบางทีก็มีการสั่งการสอนแต่ก็สอนอย่างเดียวสอนแล้วก็ไม่เอาไปปฏิบัติ พราะคนสอนก็ไม่ได้ปฏิบัติคนเรียนก็เลยไม่ได้ปฏิบัติคิดว่าพอเรียนจบก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องไปปฏิบัติพอเรียนจบก็ไปได้รับรางวัลต่างๆได้ตําแหน่งต่างๆขึ้นมามีให้ชื่อเป็นมหาบ้างถ้าเรียนจบขั้นสามขึ้นไปก็จะเรียกว่ามหามหาบัณฑิตคําว่ามหาก็คือมหาบัณฑิต ผู้รู้มากมหาเป็นว่ามากหรือใหญ่ออก็ไปได้ไปติดกับราบยศต่อไปเพราะพอมีมีคุณอวุธแล้วก็เดี๋ยวก็มีตำแหน่งทางปกครองสงมาให้อีกแล้วให้เป็นพระครูให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้เป็นรองเจ้าอาวาสให้เป็นเจ้าอาวาสให้ไปเป็น เ, ออเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะภาคแล้วถ้าถ้าเก่งก็อาจจะขึ้นไปเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมอยากกรรมการก็อาจจะขึ้นไปเป็นสังฆราชเลยก็ได้ก็เลยไปไปติดอยู่กับเรื่องราบยศสรรเสริญสชอีกแทนที่จะมาบวชเพื่อมาตัดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต่างกับพวกที่เป็นคาลวาดญาติโยมนะ คาราวาจยาโยมเวลาทำงานก็หวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มอยากจะได้ตาแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็เป็นพนักงานธรรมดาต่อไปก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้าต่อไปก็ได้เป็นหัวหน้าแผนกต่อไปก็ได้เป็นหัวหน้าใหญ่ทุกทุกแห่งในในทางโลกเขามีอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทางานที่ไหน เขาจะมีขั้นตอนมีขั้นมียศอะไรต่างๆให้ผู้กระทาได้ไฝไใฝ่ขวฟ้าเอาขวายคว้าเอาเพราะว่านี่เป็นเรื่องของปัญหาความอยากที่มีอยู่ในใจของคนทุกคนนั้นก็เป็นวิธีที่จะล่อให้ขยันทำงานนั่นเองถ้าไม่มีให้รางวี่รางวัลไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ก็จะไม่มีใครสนใจที่จะทำงานกันแบบจริงๆจังๆแล้วถึงแม้จะมีบางทีก็ไม่ได้ทำงานกันแบบจริงๆจังแต่ไปทำในงานที่จะทำให้ได้ตำแหน่งกันแต่อันนี้จะทำงานเพื่อให้ประโยชน์กับองค์กรกลับไปทำงานให้ประโยชน์กับหัวหน้าผู้ที่จะให้ตำแหน่งแ <antenna esin> ทนเพราะว่าถ้าไปทำงานประโยชน์กับองค์กรแต่หัวหน้าไม่ได้ประโยชน์นี่ บางทีหัวหน้าก็ไม่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ก็เลยต้องไปทำงานให้กับหัวหน้าแทนที่จะทำให้กับองค์กรองค์กรแทนที่จะเจริญก้าวหน้ากับเสื่อมกับเจ๊งลงไปแต่หัวหน้ากับเจริญกันพวงลูกน้องของหัวหน้าก็เจริญกันอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องของทางโลกพอมาบวชมันก็เอานิสัยทางโลกมาใช้เหมือนกัน ใช้แบบเดียวกันเลยไม่ได้เอาใจไม่ได้เอาประโยชน์ขององค์กรมาเป็นหลักแต่เอาประโยชน์ของหัวหน้าเป็นหลักคนที่จะให้ตาแหน่งเราคนที่จะให้ประโยชน์เราเราจะต้องเอาใจเขาเราต้องรับใช้เขาเราจะต้องทำให้เขารักเราชอบเราเพอเขารักเราชอบเราเดี๋ยวเขาก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้นี่คือ ลักษณะของการบวชในสมัยนี้จะมีพวกที่บวชจริงๆตามแนวของพระพุทธเจ้าก็จะหนีไปอยู่ตามป่าตามเขากันจะออกจากวงการของการแสวงหาราบสการะต่างๆไม่สนใจเรื่องการเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆ ไม่สนใจยศต่างๆจะเป็นพระครูเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จนี่ไม่สนใจทาตามแบบที่พรุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมเด็จไม่ได้เป็นสังฆราชไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นสังฆราชไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นสมเด็จไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นเจ้าอาวาสสมัยพุทธกาลนี้ เขาเค า, ารพกันตามลําดับพรรษาถ้าอยู่ในวัดนี้ใครมีพรรษามากกว่าก็เป็นผู้ปกครองไปใครมีอายุแก่กว่าบวชก่อนก็นับถือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพี่ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ไปไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกันในตําแหน่งการปกครองเคารพกันด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลนี่คือแนวเดิม ที่ถูกโลกมันเข้ามาครอบงำํำสมัยนี้องค์กรของสงฆ์นี้เหมือนกับองค์กรของทางโลกทุกอย่างมีลาบสักการะเหมือนกันมียศมีตาแหน่งเหมือนกันแล้วก็เลยแทนที่จะม า, ามาศึกษามาปฏิบัติเพื่อที่จะมากำจัดภัยต่างๆให้หมดไปจากใจก็กลับไปไขว่คว้าหาลาบสักการะกัน หาลาภยศสรรเสริญกันหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็เลยไม่มีใครบรรลุธรรมกันสมนัยนี้มีก็น้อยมากแม้แต่พระภิกษุที่จะเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมได้มากที่สุดก็หาได้ยากอย่าไปนับปภาษากับพวกศรัท ธ, ธาญาติโยมเลย ในเมื่อพระภิกษุเองยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วพวกศรัทธาญาติโยมนี้ผู้ไปพึ่งพระภิกษุเหล่านี้จะไปบรรลุธรรมได้อย่างไรก็ต้องไปหาพระที่บรรลุธรรมเท่านั้นน่ะเป็นครูเป็นอาจารย์ถึงจะสามารถมีคนสั่งคนสอนได้อย่างถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติที่จะให้กําลังจิตกําลังใจ ที่จะให้ความรู้ที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงทำขั้นต่างๆได้พระแบบยุคยุคพุทธกาลนี้มีอยู่แต่มีจำนวนน้อยมากต้องไปค้นหาเอาแล้วไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมืองส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามป่าตามเขาเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่เพราะ เป็นที่สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมานั่นเองพระอริยบุคคลทุกองค์นี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในเมืองไ ม, ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในบ้านในเมืองแต่อาจะปรากฏขึ้นมาตามป่าตามเขาทั้งนั้นลองไปศึกษาประวัติของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยว่ามีองค์ไหนบ้างที่ไปบรรลุในบ้านในเมือง ส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าจดเก้าเก้าเปอร์เซ็นนี้ไปบรรลุในป่าในเขาทั้งนั้นเพราะเป็นสถานที่ที่จะทําให้เกิดพระอริยะบุคคลขึ้นมานั่นเองต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากกาจากความเจริญทางด้านวัตถุห่างไกลจากความเจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญสุขกัน ต้องไปอยู่ในที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถสร้างธรรมอันประเสริฐ ข, ขึ้นมาในใจได้เพราะถ้าไปอยู่ในที่ที่มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะเป็นอุปสรรคนั่นเองถ้าเรียกว่าเป็นนิวรนเป็นนิวรนเป็นอุปสรรคต่อการเจริญธรรมต่อการบรรลุธรรม ผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมเลยต้องหนีจากอุปสรรคเหล่านี้ไปหนีจากราบยศสรเสริสนีจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้คือตามป่าตามเขาอยู่แบบอดอยากอยู่แบบทุกข์ยากลําบากทางกายแต่กับสุขทางใจเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นจะทําให้ มีการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วไปอยู่ไม่กี่วันกี่เดือนก็พบกับความสงบแล้วพอจิตสงบแล้วจะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรนี่ไม่เป็นปัญหากินอาหารที่ไม่เคยกินกินอาหารที่ไม่ไม่มีไม่ถูกบากนี่ไม่มีปัญหาเลยเพราะไม่ได้กินเพื่อเพื่อให้มันสุขทางใจต่อไปแล้ว กินอาหารเพื่อรังับความหิวด้านั้นเองป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นกินเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้วแต่ความสุขทางใจนี้ไดจากการบำเพ็ญไดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาที่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าไปอยู่ตามสถานที่ที่สงบ และไม่ไมีภารกิจการงานต่างๆให้ต้องทำนอกจากภารกิจที่จําเป็นเกี่ยวกับการดูแลสถานที่หรือดูแลร่างกายเท่านั้นเองภารกิจที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายก็คือบิณฑบาตภนะารกิจที่ดูแลความสะอาดของสถานที่ก็คือคอยกวาดคอยถูคอยเช็ดคอยรักษาให้ที่สะอาดไม่สกปรกและเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ต้องใช้เวลามากและการทำภารกิจเหล่านี้ก็สามารถปฏิบัติควบคู่ไปได้ด้วยไม่ไมขาดตอนการปฏิบัติไม่ขาดตอน ถึงแม้จะม่บินทบาศก็ยังถือว่าเป็นการบินทบะเป็นการปฏิบัติอยู่เพราะถ้าบินทบาศด้วยสติก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติสติปัฏฐานสีนี่เจริญสติในร่างด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติร่างกายกําลังเดินบินทบาศกาลังเปิดฟ้าบาทปิดฝาบาทก็ให้มีสติอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกาย ไม่ปล่อยให้ไปใจไปคิดถึงอาหารในบาศว่ามีอะไรบ้างน่ากินหรือไม่น่ากินคนใส่บาศมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้จะไม่มีความคิดปรุงแต่งเหล่านี้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติที่จเจริญสตินี้จะรู้เฉยๆไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งเกี่ยวกับอาหารที่ได้รับมาไม่ได้ปรุงแต่งถึงคนที่ใส่บาศว่าเป็นคนระดับไหนชั้นไหน เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีหรือไม่ดีอะไรอันนี้เหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ปฏิบัตินะจะมีเพียงแต่รู้ว่ากําลังทําอะไรรู้ว่าต้องเปิดฝาบาตก็เปิดฝาบาตรรู้ว่าต้องปิดฝาบาตก็ปิดฝาบาตรู้ว่าต้องเดินไปก็เดินไปเท่านั้นเองการปฏิบัติจึงไม่ขาดตอนถึงแม้ว่าจะต้องทําภารกิจต่างๆไม่เหมือนกับของชีวิตของคารวาส เวลาไปทำภารกิจต่างๆนี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งไม่จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติแต่การปฏิบัติของนักบวชนี้ของพระนี้เป็นการปฏิบัติทุกขั้นทุกขั้นทุกเวลาแม้แต่การทำความสะอาดแม้แต่การรับประทานอาหารการทำจำละภาชนะบาดอะไรต่างๆนี้เป็นการปฏิบัติได้หมดเพราะไปการเจริญสติอยู่ตลอดเวลา หรือเป็นการเจริญปัญญาบางทีก็พิจารณาก่อนจะฉันอาหารก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารขึ้นมาให้เห็นว่าปฏิอาหารนี้มันไม่น่ากินอย่างเดียวนะมันไม่น่ารับประทานก็ต่อไปเวลามันเน่ามันบูดเวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องเวลามันถ่ายออกมานี่มันไม่น่ากินแล้วนะพิจารณาให้เกิดปัญญา เพื่อที่เวลาเกิดกิเลสความหิวอยากจะกินอาหารจะได้มารังงับมันได้เพราะนักบวชนี้ฉันมือเดียวรับประทานครั้งเดียวเดี๋ยวเวลารับประทานไปไม่กี่ชั่วโมงมันความอยากกินมันอาจจะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีปัญญามาหยุดมันก็อาจจะทนไม่ไหวแล้วอยากจะคิดสึกไปก็มีแต่ถ้ามีปัญญา เห็นปฏิกูลของอาหารทุกครั้งอยากจะกินอาหารก็ให้ระลึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากในท้องหรือเวลาที่มันถ่ายออกมาลอยหน้าพระอาหารอยู่ในรูปแบบนั้นก็กินไม่ลงไม่อยากกินความหิวความอยากกินอาหารมันก็เลยหายไปนี่ทำไมนักบวชจึงเป็นผู้ที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้มากกว่าคารวะผู้ของเลือน แต่ต้องเป็นนักบวชที่เป็นสุปฏิปันโนจริงๆคือต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจแ น, แน่วแน่ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติไม่ได้บวชเพื่อที่จะม า, าทำภารกิจให้แก่คารวะญาติโยมสมัยนี้ส่วนใหญ่พระคิดว่ามาบวชนี้เพื่อมาทำภารกิจให้กับญาติโยมมาคอยรับกิจนิมนต์ต่างๆเดี๋ยวญาติโยนิมนต์ไปวันเกิดบ้าง วันขึ้นบ้านใหม่บ้างเปิดร้านบ้างอะไรบ้างก็จะนิมนต์พระไปอันนี้ไม่ได้เป็นกิจของพระนะอันนี้เป็นกิจของญาติโยมที่ไม่จำเป็นจะต้องมีพระก็ได้เปิดขึ้นบ้านใหม่ทำไมต้องให้นิมนต์พระไปด้วยอยากจะให้พระสวยก็เดี๋ยวนี้มีมีของบันทึกไว้ก็ไปเปิดได้เปิดมันยีบสี่ชั่วโมงเลยเ เอาบทสวดมนต์ของพระไปเปิดจะได้ขับไล่ผีปีศาจอะไรต่างๆไม่ง้นจะต้องเอาพระไปเลยเป็นกิจของนี่ของญาติโยมแต่ไม่ทราบไปดึงไม่ทราบเป็นยังไงไปดึงพระไปพัวพันธุ์ด้วยพระก็เก่งใจกลัวเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินกลัวเดี๋ยวจะไม่มีโยมเข้าวัดไปใส่บาตไปทําบุญที่วัดก็เลยต้อง ต้องทำตามทาตามใจ ญ, ญาติโยมญาติโยมอยากจะนิมนต์ให้ไปทำอะไรก็ทำให้หมดให้เจิมนก็มีเดี๋ยวนี้ให้ตัดผมให้ลูกก็มีโอ้ยมีให้อาบน้าก็มีเดี๋ยวนี้อาบน้าเองก็อาบไม่ได้ต้องไปอาบน้ำต้องให้พระอาบน้ำให้นี่คือเกตของพระในสมัยปัจจุบันนี้ทำไมจึงไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา ก็เพราะว่าพระไม่ทํากิจของพระนั่นเองไม่ทําคันถธุระไม่ทําวิปัสนาธุระไปทํากิจของญาติโยมคือบุญบางสังสว่วนมันก็เลยไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมานั่นเองนี่คือเรื่องของคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้ให้เพื่อเรามาศึกษาและเอาไปปฏิบัติ เพราะจะเป็นการเตรียมเครื่องมือเตรียมอาวุธไว้รับกับภัยต่างๆที่จะตามมาต่อไปนั่นเองภัยก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักการต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ไม่ปรารถนาหรือบุคคลที่เราไม่ปรารถนา ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราแล้วเทนี้ไม่ว่าจะเจออะไรใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆใจจะยิ้มได้อย่างสบายเพราะนี่แหละคืออำนาจของธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้แคล้วคลาดปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองจึงขอให้พวกเราอย่าประมาทกันจงเน่นรีบศึกษาและปฏิบัติกัน เพราะเราไม่รู้ว่าภัยเหล่านี้จะมาถึงเราเมื่อไหร่อย่าไปคิดว่าอีกหลายปีข้างหน้าอาจจะเกิดเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้กลับไปบ้านอาจจะได้ข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายก็ได้นนเี่ยดูซิว่าจะจะทําใจได้หรือเปล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปะริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิชีต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจาโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยธาเมณนโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภว อาพิวาทานาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนยตตโรธรมมวัานติอายุวันโนสุขังภาลาง ว, วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเ a c e b o o สามร้อยแปดสิบเอ็ดูสองร้อยเจ็สิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบ รับฟังบนเขา42รวมทั้งสิ้น720ค่ะอืมอย่างนี้ค่อนข้างจะจะสัตยเทียนแล้วนะ700นะมไม่ลดลงตามกว่า7นะถ้ามีคำถามก็ถามได้ ค, คำถามจากจากผู้ฝากถามคุณปุ๋ยพนวดีค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ลูกมันศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระอาจารย์จนไม่กลัวความตายก่อนนอนได้พิจารณาความตายเสมอแต่เมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยกลับไม่สามารถทําใจเป็นอุเบกขาได้รู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะสงสารท่านขอพระอาจารย์เมตตาให้คําแนะนําด้วยค่ะก็ต้องศึกษาต่อไปว่าใครตายกันแนะ่อะไรตายอะไรไม่ตายเนี่ย เพราะชีวิตของพวกเรานี้มันมีสองส่วนด้วยกันส่วนที่ตายกับส่วนที่ไม่ตายส่วนที่ไม่ตายก็คือจิตใจผู้ที่ครอบครองร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้คือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเอยน็นตัวพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผู้รับคําสั่งแต่เป็นผู้ที่สั่งนั่นแหละก็คื อ, ค อ, อยู่ที่ใจนี่เอง พ่อแม่เราอยู่ที่ใจเพราะพ่อแม่ใช้ใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ส่วนคนขับนี้เป็นจิตใจรถยนต์พังไปคนขับไม่ได้พังไปกับรถยนต์เหตนีขอให้เราคิดว่าเวลาร่างกายของพ่อแม่ตายไปร่างกายของคนที่เราลากตายไปนะั้น เป็นเพียงเครื่องมือของเขาเป็นตุ๊กตาของเขาที่เขาใช้ให้ไปทำอะไรต่างๆให้กับเขาหรือจะเรียกว่าเป็นคนรับใช้ของเขาก็ได้แต่คนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับไปกับร้านกายของเข า, เาก็ถือว่าเขาเพียงแต่เสียคนรับใช้ไป เขาก็ต้องไปหาคนรับใช้ใหม่ต่อไปถ้าก็ยังต้องการมีคนรับใช้อยู่เดี๋ยวเขาก็ไปเกิดใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปเขาไม่ได้ตายไปการตายนี้เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายเหมือนเหมือนกับนอนหลับไปเวลาตายก็เหมือนนอนหลับเพราะตอนเวลาที่เราหลับก็ร่างกายก็เหมือนตายเพราะตอนที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย แต่เราไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราก็คือความฝันต่างๆช่วงที่จิตใจไม่มีร่างกายจิตใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันนี่ก็จะฝันดีฝันร้ายไปตามอํานาจของบุญของบาปไปจนกว่าจะหมดกำลังแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะตื่นขึ้นมาเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ม ก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ใจไม่ได้เป็นอะไรช่วงที่รอร่างกายอันใหม่ก็ช่วงที่นอนหลับฝันไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดเพราะว่าไม่มีใครตายสิ่งที่ตายก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายร่างกายไม่มีความรู้ว่าเขาเป็นร่างกายไม่รู้ว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตาย ร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้เวลามันตายมันไม่รู้ว่ามันตายถ้าใจนี้ไปรู้แล้วไปหลงไปคิดว่าเป็นเป็นใจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆเพราะร่างกายเขาเป็นอะไรไปก็คิดว่าเขาเป็นไปด้วยเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นคนเป็นเจ้านายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายใจก็รอไปรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอก็อยู่ในโลกของความฝันไปฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันไม่ดีก็เรียกว่านรกก็มีเท่านั้นถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องหยุดการไปเกิดด้วยการหยุดความอยากต่างๆ ก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบทุกข้อถึงจะสามารถที่จะยุติการกลับไปเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อไปคําถามข้อต่อไปจากคุณภัสกรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามการดูกายในกายทําอย่างไรครับการดูกายในกายก็คือให้เราศึกษาธรรมชาติของร่างกายนี้ให้เรารู้จักร่างกายให้มันครบ ตอนนี้เรารู้จักร่างกายเพียงบางส่วนเท่านั้นเองเราจะรู้จักร่างกายในส่วนที่สวยงามที่น่าดูแต่เราไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยงามเ ร, เราต้องมองให้ครบเพราะถ้าเรามองไม่ครบเราจะหลงและเราจะทุกข์เวลาที่เราไปเจอส่วนที่ไม่สวยงามปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเช่นเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายนี่ มันไม่สวยงามมันไม่น่าปรารถนาเลยถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะคิดว่าร่างกายของเราจะสวยงามไปตลอดจะไม่เจ็บไม่ไข้จะไม่แก่แต่พอเราไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราศึกษาไว้ล่วงหน้ารู้แล้วว่าต่อไปร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ศึกษาแบบไม่ใช่แบบแบบที่เราศึกษากันตอนนี้ตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันลืมพอไม่คิดถึงมันมันก็ลืมมันไปคิดว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเย็นต้องให้มันคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จนกว่ามันจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายนั่นแ่ะถึงจะเลิกคิดได้ถ้ายังกลัวความแก่อยู่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่แสดงว่ายังจำไม่ได้ถ้าจำได้แล้วมันจะไม่กลัวทำไมจะไม่กลัวเพราะมันรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะได้มาหัดทำใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้วิธีให้มันยอมรับก็ต้องทำจิตให้สงบเท่านั้น ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาถ้าไม่เช่นนั้นกิเลสมันไม่ยอมกิเลสจะไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายต่อให้สอนมันยังไงปากเปียกปากฉี่ไงมันก็ไม่ยอมรับเพราะแก่มันจะรีบแก้ทันทีเพราะผมงอกมันจังรีบหาวิธียอมผมทันทีพอไม่สวยพอมีสิวมีฝ้านี้จะต้องหาวิธีโปะปิดมันทันทีเพราะนี้คือกิเลสที่มันมีครอบงาจิตใจเรา แต่เวลาเราทำสมาธินี้เราจะตัดกําลังของกิเลสไม่ให้มันมามีอิทธิพลต่อการการที่เราจะรับความจริงของร่างกายได้นั่นเองจึงต้องปฏิบัติทำจิตให้สงบแล้วก็ศึกษาร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญา ความจริงว่าร่างกายจะต้องเป็นยังไงต่อไปแล้วใจจะต้องทำยังไงถึงไม่ทุกข์กับมันก็คือต้องยอมรับมันไม่ไปผืนไม่ไปปฏิเสธมันนั่นเองนี่คือการศึกษากายในกายการพิจารณากายในกายก็คือการศึกษาธรรมชาติของร่างกายเพื่อให้เรารู้ว่าร่างกายมันเป็นยังไง คบทุกสัตว์ทุกส่วนไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เราอยากจะรู้เท่านั้นส่วนที่เราไม่อยากจะรู้เราไปไปไปลืมมันไม่ยอมไปคิดถึงมันมันก็เลยทําให้เราทุกเวลามันปรากฏขึ้นมาถ้าเรารู้ทุกสัตว์ทุกส่วนเวลามันปรากฏขึ้นมาเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงนั้นเอง ค่ะคาถามต่อไปจากคุณปุย๋ยที่ถามเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียค่ะว่าถ้าเห็นคุณแม่เจ็บคุณพ่อคุณแม่เจ็บปวดทรมานค่ะควรจะวางใจอย่างไรดีคะ อ, อ้าวก็เป็นความเจ็บปวดของเขาไม่ใช่ของเราเราทำไมต้องไปเจ็บปวดกับเขาด้วยหรอเขาก็ไม่ต้องเจ็บปวดถ้าเขารู้จักวิธีทาใจเขาบอกเขาให้ทำใจ แต่บางทีมันสายไปแล้วมาเตรียมตัวตอนที่ไฟไหม้แล้วมันไม่ทันแล้วถึงเมื่อกี้ถึงเทศสอนว่าต้องเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือดับไฟไว้ก่อนไม่ใช่จะมาคอยหาเครื่องมือตอนที่เกิดไฟลุกแล้วเราก็รู้เหนี่ยวไฟมันจะต้องลุกเนี่ยรู้ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ว่าจะต้องตายทำให้ไม่เตรียมตัวเตรียมเครื่องมือดับไฟกันพอถึงเวลาก็เลยทุกข์กันทุกทรมานไปเอง ถึงตอนนั้นไม่มีใครช่วยหรืออะไได้คนที่เห็นไปทุกข์ก็ก็ต้องทำอะไรไม่ได้ต้องมาดับความทุกข์ของตอนเองด้วยการปล่อยวางเท่านั้นถ้าไม่ปล่อยวางก็จะไปทุกข์กับเขาด้วยโดยใช่เหตุคำถามต่อไปจากคุณพิเชษค่ะกล็บนรมาสการพระอาจารย์ครับตอนเดินจงกรมหักใส่หูฟังเสียงภาวนาพุทธโธตามจังหวะเสียงเท้าขวาพุทธ เท้าซ้ายโทจิตจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นได้ไหมครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เสียงมันช้ากว่าเท้าต้องรอจังหวะจึงก้าวพุทโทขวาพุทธขวาโทรอย่างช้าๆทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกอ่ะอย่าไปใช้อะไรภายนอกกายกับใจให้ใช้ของที่มีอยู่ในใจเราเท่านั้นเพราเดี๋ยวเกิดไปอยู่ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแบตเตอรี่เดินจงครมไม่ได้ พอเกิดเครื่องเครื่องเสียงมันเสียจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ของพวกนี้เลยทําไมชอบไปล้าหน้าพระพุทธเจ้าเหลือเกินออสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ทํากับไม่ทํากันของง่ายๆกับไปทําให้มันยากทําให้มันยุ่งเปล่าๆพุทธโธในใจเรามันจะยากขนาดไหนวะขี้เกียจขนาดนั้นเลยไม่ยอมท่องพุทธโธเลยขนาดคําว่าพุทธโธยังต้องให้คนอื่นมาท่องให้เราเลยแล้นี้มันจะไปได้ยังไง เดี๋ยวเกิดเครื่องมันเสียทำไงเกิดไม่มีที่ชาร์จแบตจะทำยังไงไ ม, ไม่ได้หรอกอย่าไปใช้แม้แต่นั่งสมาธิก็อย่าเอาเบาะติดไปด้วยเวลาบางคนจะนั่งสมาธิต้องมีบเบาะรองก้นอีกกลัวเจ็บอีกกลัวเจ็บแล<อ>้วไปนั่งมันทำไม นั่งเพื่อให้มันเจ็บจะได้ใช้ปัญญาใช้สติสู้กับความเจ็บนะกลับไปกลัวความเจ็บอีกนะ่นมันเป็นความหนงมงมงายที่ไม่รู้หลักของการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นก็อย่าขี้เกียจอย่าพึ่งอะไรให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนนถ้าเราท่องพุทธเถรเองเราจะให้มันช้าเร็วก็ได้ออ มันเราเดินช้าแล้วก็ท่องช้ามันเราเดินเร็วแล้วก็ท่องเร็วมันง่ายจะตายไปกลับไปท่ามให้มันยุ่งยากกลับไ้เครื่องท่องพุทโธเดี๋ยวนี้มีผลิตเครื่องท่องพุทโธอะไรนี่ก็ <c oughs> <c oughs> อะไรกันขนาดนั้นเออต่อไปค่ะคําถามต่อไปจากคุณสาวนุ้ยค่ะ กรับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอย่างคนเข้าทรงเทวดาทรงเจ้าถวายผลไม้ขนมอาหารบูชาเทวดาเขาบอกว่าเป็นการสร้างบุญบุญบา ร, รมีเป็นบุญจริงไหมเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สร้างแบบนี้ไม่มีในบา ร, รมีสิเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องของลัทธิอื่นเป็นเรื่องของความเชื่อคำสอนของศาสนาอื่นเขาคาถามต่อไปจากคุณน้า จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกลับนัสศการพระอาจารย์ครับมีคนฝากถามว่าพ้าที่อาบัติปราชิกแล้วสึกออกมาจะกลับไปบวชเป็นสัมมเนยได้ไหมครับและปิดกั้นสวรรค์มรกผลนิพพานไหมครับก็ดำหลักแล้วก็ไม่ไม่ไม่บวชไม่ได้อีกแล้วเพราะถือว่าทำผิดร้ายแรงไม่มีโอกาสจะกลับเนื้อกลับตัวไปบวชได้แต่ยังบรรลุนิพพานได้โดยไม่บวชก็ได้ ถ้าไม่ไปบวชเนรบวชพระไปอยู่เป็นฤาษีชีพยัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีโอกาสได้แต่ยากเพราะคนเราถ้ามันไปถึงขั้นประราชิกแล้วมันเหมือนรถตกเหวแล้วเนะี่ยไปกู้รถกลับขึ้นมาขับอีกมันยากมันพังหมดแล้วนั้นก็พูดได้ท่านนี้แหละ ว, ว่ามันเหมือนต้นตาลที่ยอดมัน กดแล้วยอดมันด้วนนะเนี่ยไม่มีทางที่จะเจริญต่อไปได้คําถามข้อต่อไปจากคุณรัวิวันค่ะถ้าเราสุขภาพไม่ดีบ่อยๆมึนหัวเราทําบุญแบบไหนดีเจ้าคะหรือไปถือศีลแปดต่อไปหาหมอสิแล้ว <c oughs> อะไรวะมันไม่คนละเรื่องกัน <c oughs> <c oughs> ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอเลยทำบุญมันจะหายที่ไหน <c oughs> <c oughs> พระยังต้องไปหาหมอเลย <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณจากคุณเคป๊ค่ะการไปไหว้พระก้าวัดจะแก้กรรมและจะมีโชคลาภเงินทองรวยจริงหรือเปล่าคะแก้กรรมไม่ได้หรับเพียงแต่ไม่ทำกรรมใหม่ <c oughs> หยุดทำกรรมใหม่เพราะเวลาไปวัดไม่ได้ไปทำกรรมไปทำบุญเราจะรวยก็ต้องรวยชาติหน้าไม่ใช่รวยชาตินี้ชาตินี้มีแต่จะจนมากขึ้นเพราะต้องเสียเงินไปทาบุญเยอะขึ้น <c oughs> แต่จะรวยชาติหน้าแบบพระเวชสันดรเ น, นี่ยระเว็สันดรไม่รวยขึ้นนะทำบุญหมดเนื้อหมดตัวแต่มารวยตอนที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะต่อไป <c oughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณนกค่ะกราบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วเราจะอยู่ด้วยความยิ่งเฉยไม่เห็นเขามีตัวตนและไม่กระทบกระแทกซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นการหลีกเลี่ยงที่พอจะปฏิบัติได้ไหมคะทำยัไง ไ, ไงก็ได้ขอให้เราอยู่กับเขาได้ก็แล้วกันวิธีดีดก็หัดชอบเขาดีกว่าถ้าชอบแล้วก็จะอยู่กันได้ของมันชอบกันได้ของกินเราไม่ชอบถ้าต้องถูกบังคับให้กินบ่อยๆเดี๋ยวก็ชอบมันได้ เรไม่เชื่อลองไปอยู่เมืองนอกดูสิอยู่เมืองนอกไม่มีอาหารไทยกินมีแต่อาหารฝรั่งกินกินไปสักสี่ห้าปีกลับมาเมืองไทยติดอาหารฝรั่งขึ้นมานี่ก็หัดชอบบังคับให้มันชอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ชอบเองพอชอบมาทีนี้พอไม่ได้เจอเขากลับคิดถึงเขาเลย คำถามต่อไปจากคุณพีโ ก, โกค่ะที่บอกว่าจิตไปนิพพานหมายถึงวิญญาณขันใช่ไหมครับก็ตัวจิตเนี่ยที่เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันวิญญาณขันเป็นส่วนหนึ่งของนามขันจีแต่มันอยู่ในจิตแต่ตัวจิตนี่แหละเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณแล้วไปนิพพานได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นวิญญาณยังเป็นจิตใจอยู่ก็ไปนิพพานได้มาพบพระเจ้า เป็นไปถึงนิพพานตอนที่ร่างกายอายุสามสิบห้าปีตอนนั้นยังมีขันห้าอยู่ครบบริบูรณ์เราเลยไม่เรียกจิตจิตใจเป็นวิญญาณเราเรียกว่าเป็นจิตใจแต่พอร่างกายไม่มีแล้วเราถึงจะเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นดวงวิญญาณคาถามข้อต่อไปจากคุณวิสณีค่ะ ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่มีเหตุบังเอิญการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินั้นเหมือนกับเราเคยไปอยู่ที่นั่นในอดีตชาติใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันอันนี้คำว่าไม่มีเหตุบังเอิญนี่ไม่ทราบว่าท่านหมายถึงอะไรคำถามข้อต่อไปจากคุณสุดตาค่ะ ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าขนาดเดินจงกรมท่องอาการสามสิบสองได้ไหมเจ้าคะได้กรร บ, บังเอิญเดินไปแล้วฝนตกอย่งี้มันบังเอิญหรือเปล่าเดินไปอยู่ดีๆไม่ได้เตรียมลมไว้ไปเจอฝนนี้มันบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่เรียกว่าบังเอิญก็ต้องเรียกว่ามันมีเหตุปัจจัยทําให้ฝนตกฉะนั้นคําถามนี้เลยไม่กล้าที่จะตอบว่ามันหมายถึงอะไร คำว่าบาังเอิญนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเราไม่ได้ตั้งใจแล้วไปเจอหรือเปล่าหรือเราตั้งใจแล้วเจออถ้าตั้งใจแล้วเจอก็ไม่เรียกว่าบาังเอิญแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วเจอเราก็เรียกว่าบาังเอิญไม่ใช่ใช่ไมเช่นมาวัดวันนี้ไม่ตั้งใจจะพบแฟนเออาบาังเอิญแฟนก็มาด้วยอย่างนี้มอย่างนี้คำว่าบาังเอิญมันจะมีได้ขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าจะแปลว่า มีมีเหตุมีปัจจัยทาให้แฟนมาแล้วมีเหตุมีปัจจัยทาให้เรามาถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้พูดตามหลักคำสอนของธรรมะล้วก็จะไม่มีบังเอิญทุกอย่างมันมีเป็นมีเหตุมีปัจจัยคุณมาที่นี่วันนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยพา้คุณมาคุณมาเพราะ อะไรอันนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเรามาตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะเรามีเหตุมีปัจจัยทาให้เรามางั้นจะว่าเราจะว่าเป็นการไม่บังเอิญก็ไม่ใช่ก็ได้ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมดความคิดนี้ก็เป็นเหตุลนะคิดว่าจะไปวัดวันนี้ก็เป็นเหตุลนะไม่ได้เป็นบังเอิญ น, นะ หรือว่ามีเราไม่คิดเองเพื่อนคิดแล้วชวนเอามาอเราก็ตามเขามามันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนีย่ยงั้นถ้าถ้ามองตามตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันทําให้เป็นไปทุกอย่างเป็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยนี่เองคําถามข้อต่อไปจากคุณวิโรธค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเป็นโลก ถ้าเป็นโรคปล่อยวางไม่รักษาจะถือว่าฆ่าตัวตายไหมครับก็ยังไม่ตายไม่ใช่เลยไป่ฆ่าตัวตายก็ยไม่ได้ทำให้มันตายหน่งแต่ไม่รักษาเท่านั้นเองอถ้าไปเอาอะไรมาปิดจมูกไม่ให้มันหายใจแล้วมันตายอย่างี้ถึงจะเรียกว่าฆ่าตัวตายแต่ถ้าปล่อยมันไปธรรมชาติไม่ไปหาหมอไม่ไปหายาอาจจะไม่มีเงินรักษาจะทาไงก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายเอง คำถามข้อต่อไปจากคนอยู่กับความรู้สึกดีอยู่กับความรู้สึกตัวมีสติค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับภรรยาเอาแมวมาเลี้ยงในบ้านโดยที่ผมไม่ยินยอมเป็นพุงแพ้หนักมากผมจะเอาแมวไปปล่อยจะบาหรือเปล่าครับก็ถามเมียก่อนเลาถามเราทำไมเดี๋ยวตีกับภรรยามันจะบาปตอนนั้นน่ะตอนไปปล่อยแมวไม่บาป คำถามข้อต่อไปจากคุณซอซอค่ะอยากปกรึกษาถามพระอาจารย์ว่าการที่เราพรยายามไม่โกรธเมตตาให้คนอื่นหรือเมตตาให้คนรอบข้างบางครั้งเราต้องฆ่ามดฆ่ายุงด้วยความจําเป็นเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะบางครั้งพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เจ้าค่ะแบบนี้เราจะบาปหนาไหมคะก็บาปเป็นโดยละชานีถ้าทำเออเรื่องบาปด้วยเป็นอสุรกายถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความจำเป็นเพื่ออยู่รอดเช่นฆ่าเขามากินเป็นอาหารนี้เพื่ออยู่รอดแต่ไม่กลัวแต่ทำไปเพราะว่าต้องต้องทำเพื่อที่ให้รักษาชีวิตอยู่แต่ถ้าทำเพราะความกลัวถึงแม้ว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ยังทำเพราะกลัวไม่อยากจะให้มันมาอย่างนี้ก็จะเป็นอสุรากายคำถามต่อไปจากคุณกมพลค่ะ บทสวดมนต์เป็นคําสอนและยังเป็นพรที่คอยคุ้มครองเราด้วยหรือเปล่าครับคุ้มครองไม่ได้หรอกเป็นคําสอนถ้าเราปฏิบัติเท่านั้นมันถึงจะมาคุ้มครองจิตใจเราได้ดับความทุกข์ต่างๆได้แต่ไม่สามารถมาคุ้มครองร่างกายได้นั่งกายก็ยังต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมยังต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเหมือนเดิมยังจะต้องพัดภาคจากของที่เรารักเหมือนเดิมเยอะ คำถามจากคุณสิริค่ะเมื่อเกิดทุกข์ใจจากเหตุการณ์เราจะพิจารณาเหตุการณ์หรือพิจารณาที่ไหนดีคะพิจารณาที่ใจเราสิเหตุการณ์มันไม่มีอะไรใจเราไปทุกข์กับมันเองถ้าเราไม่เห็นเหตุการ์นั้นเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมพอเราไปเห็นเหตุการณ์เราก็ทุกข์เราก็ต้องหาสาเหตุของความทุกข์ของที่ทำให้ใจเราทุกข์สาเหตุก็ของพุทธเจ้าก็บอกว่าคือความอยากของเรานั่นเอง เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ทุกข์แล้วเห็นพ่อแม่ตายนี่พอเห็นเข้าก็ทุกข์แล้วเพราะเราไม่อยากให้เขาตายแต่ถ้าเราอยากให้เขาตายเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเราจะดีใจโอ้ตายได้ก็ดีเว้ยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็อยู่ที่อยู่ที่ใจเรานั่นแหะอยู่ที่ความอยากของเราไม่ว่าเราเวลาเราทุกข์กับอะไรนี่กลับมาดูที่ใจเราเถอะดูที่ความอยากของเรา เราต้องมีความอยากต่อสิ่งที่เราเห็นแล้ว เ, เราจรึงทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากกับสิ่งที่เราเห็นเราจะไม่ทุกข์ช่วงนี้คำถามหม ด, หมด แ, ลแล้วเลย ม, มีมีอันหนึ่งคุณประวินถามว่าธรร ม, มานุสารีตามที่พระพุทธองค์บอกนั้นเป็นอย่างไรครับอะไรนะธรร ม, มานุสารีตามที่พระพุทธองค์บอกนั้นเป็นยางไงอันนี้ลองใส่ไปในกูเกิลดีหว่า ว่เรากำพึ่งได้ยินวันนี้แหละจ้องนี้หมดคเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวเผื่อใครกํากลังพิมพ์เข้ามาก็เดี๋ยวก็พิมพ์เข้ามาเองไม่ใจเย็นๆเดี๋ยวนี้ไม่งอไขแล้วไม่เข้ามาเดี๋ยวก็จะได้ปิดคําถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะ พอปฏิบัติแล้วเห็นตามที่พระอาจารย์สอนไปเรื่อยเรืเริ่มมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันทุกน้อยลงเรื่อยเรืแสดงว่าปฏิบัติถูกทางแล้วใช่ไหมคะถ้าทุกน้อยลงไปเรื่อยๆก็ถูกทางกิเลสน้อยลงไปความอยากน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปจิตใจเป็นอุเบกขามากขึ้นเป็นสันโดษมากขึ้นเกยินดีตามมีตามเกิดได้ไม่ไปจู้จี้จุกจิกต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ นี่คือการปฏิบัติเพื่อทำให้ความทุกข์น้อยลงต้องลดละความอยากความจู้จี้จุกจิกต่างๆให้ยินดีตามมีตามเกิดร้อนก็เอาเย็นก็เอาสรรเสริญก็เอานินทาก็เอารับได้หมดไม่จู้จี้จุกจิกแล้วใจจะไม่ทุกข์คำถามจากคุณวิกกี้ดีค่ะ ลูกชายถามว่าถ้ามีเพื่อนในห้องถูกแกล้งเราควรไปช่วยหรือไม่ครับถ้าช่วยแล้วทำให้มันแย่กว่าเดิมก็อย่าไปช่วยถ้าช่วยแล้วทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นก็ช่วยเช่นไปรังงับการกลั่นแกล้งได้ก็ทำไปแต่ถ้าไปช่วยแล้วแทนที่เขาจะไปแกล้งเขาเขากลับมาแกล้งเราเราแยาเรายินดีที่จะรับผลนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ยินดีก็อย่าเข้าไปช่วยก็ปล่อยให้เป็น เป็นเป็นเรื่องของคนอื่นไปเราไม่มีความสามารถที่จะช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับเราเห็นคนจะจมน้าแล้วเราว่ายน้าไม่เป็นเราจะทำไงเราจะกระโดดลงไปช่วยเขาก่าก็าจมด้วยกันทั้งคู่อ่ะอย่นก็ต้องดูผลว่าการช่วยของเรานี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือไม่หรือไม่เป็นโทษ ถ้าเป็นโทษก็อย่าไปช่วยมันไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยไปถ้าไปห้ามแล้วเขาเลิกกันได้แล้วเขาไม่มากลั่นแกล้งกันต่อไปอันนี้ก็เป็นประโยชน์ก็ทำไปแต่ถ้าไปห้ามเขาแล้วเขากลับมาแกล้งเรากลับมาเอาเรื่องเรานี้เราจะยอมรับหรือเปล่าถ้ายอมรับก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรถ้าเขาจะจมน้ำตายเรายอมจมไปกับเขาก็ากระโดดลงไป <laughs> คำถามต่อไปจากคุณพาคินค่ะกลาบถามว่านิพานไม่ใช่สถานที่ไม่มีตัวไม่ใช่ตนพระท่านสอนว่าทำใจให้สะอาดจากกิเลสแล้วเข้านิพานแสดงว่าใจนั้นแหละคือนิพานนิพานคือใจใช่ไหมครับนิจนิพานคือใจที่สะอาดที่ปราศจากกิเลสตัณหาไม่ใช่ใจที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เป็นนิพานไม่ได้ เหมือนเสื้อผ้าที่สะอาดกับเสื้อผ้าที่สกรปรกเ น, นีเสื้อผ้าที่สะอาดเราไม่เรียกว่าเสื้อผ้าสกรปรกเราเรียกว่าเสื้อผ้าสะอาดการที่จะทําให้เสื้อผ้าสะอาดก็ต้องเข้าเครื่องซักซักพอกพอซักเสร็จมันก็สะอาดใจเราก็เหมือนกันตอนนี้มันสกรปรกด้วยกิเลสตัณหาเราก็ต้องซักพอกด้วยการปฏิบัติธรรมพอเราปฏิบัติธรรมไปเดี๋ยวใจเราก็จะสะอาดปราศ จ, จากกิเลสตัณหาเราก็เรียกว่านี้ผ่าน คำถามข้อต่อไปจากคุณมาริษาค่ะขออนุญาตถามค่ะว่าอาชีพเช่าขายพระเครื่องนั้นเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกมันก็เป็นอาชีพค้าขายอย่างนึขายตุก๊กตาเป็นบาปไหมนะพระเครื่องกับตุก๊กตาดีๆนี่อย่างเงี้ยแต่เราไปเรียกว่าเป็นพระเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าทําตุ๊กตาซุปเปอร์แมนอะไรนี้เราก็ไม่เรียกว่าพระใช่ไหมมันก็ขายตุก๊กตาดีๆนี่องเงีย เด็กมันก็เชื่อซูเปอร์แมนว่าจะช่วยมันได้ใช่ไหมมันถึงขอพ่อแม่ซื้อซูเปอร์แมนกันซื้อซูเปอร์แมนแล้วมันจะได้เหาะเหินเดินอากาศได้พวกจิตใจที่เป็นเด็กก็คิดว่ามีพระพุทธรูปแล้วจะมีอภินิหารต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเองก็เป็นเหมือนของเล่นนี่เองเป็นของเล่นที่เหมือนตุ๊กตาไม่บาปคำถามข้อต่อไปจากคุณคจพลค่ะ การเกิดใหม่นามรูปเกิดพร้อมกันใช่หรือเปล่าคะไม่หรอกนามไม่อยู่ตลอดเวลานามอยู่กับจิตใจรูปต้องรอให้พ่อแม่แต่งงานกันก่อนแล้วร่วมหลับนอนกันพอร่วมหลับนอนกันเริ่มมีการตั้งคันตอนนั้นนะ่ะนามกับรูปก็จะมาพบปะกันมาแต่งงานกันอีกทีหนึ่งมารวมกันเป็นขันห้าคำถามข้อต่อไปจากคุณวิไลรัลกค่ะ ความอยากที่จะไปทาบุญอยากไปภาวนาอยากไปช่วยตามวัดตามวาและอยากมีดวงตาเห็นธรรมนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าคะไม่หรอกเป็นเป็นธรรมะเป็นมรรคเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีเป็นความอยากที่ดีความอยากที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆดับไปคำถามข้อต่อไปจากคุณ คุณกันค่ะช่วงนี้ติดตามการเมืองครับมีการให้ข้อมูลโต้กันไปโต้กันมาผมเองก็ไปร่วมแสดงความเห็นด้วยพอไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิ ป, าธ ป, าธ ป, าธประจําวันรู้สึกไม่ได้สมาธิครับทั้งที่ไม่ได้คิดถึงเวลาเรื่องการเมืองเวลานั่งสมาธิแก้ไขอ ย, อย่างไรดีครับก็อย่าไปติดตามเลยกลับมา เหมือนกับตอนต้นตอนที่เราไม่ได้ติดตามพอไปติดตามแล้วมันฝังในใจถึงแม้ไม่คิดมันก็จำได้มันก็โผล่ขึ้นมาอยู่เลยมันไม่คิดแต่มันนึกอยู่เรื่อยนึกถึงการเมืองพอนึกแล้วใจมันก็ไม่สงบแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณกาพลค่ะการที่เราทำหนังสือธรรมะกับการเผยแพร่ทางออนไลน์จะได้บุญเท่ากันไหมครับ ได้มันอยู่ที่คนว่าถ้าคนเข้าถึงมากก็ได้บุญมากคนเข้าถึงน้อยก็ได้บุญน้อยเช่นเราพิมพ์หนังสือแจกแล้วไม่มีใครมารับไปแต่ว่าเราใส่เข้าไปในเฟซบุ๊กนี่คนอ่านเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ยั้นดี่การไปเข้าออนไลน์นี่มันจะได้บุญมากกว่าเพราะมันเผยแผ่ธรรมะได้กว้างไกลกว่าได้เยอะกว่า แต่ความจริงบุญที่เราทำมันอยู่ที่เงินทองที่เราเสียไปไม่ได้อยู่ที่คนอา่านหรอกเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่ประโยชน์การเข้าถึงนี่เป็นประโยชน์ของคนที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าถึงธรรมะแต่คนที่ให้ในี่อยู่อยู่ที่ว่าเขาจ่ายเงินมากจ่ายเงินน้อยเขาจ่ายเงินมากเขาก็จะได้บุญมากเขาจ่ายเงินน้อยก็ได้เงินน้อยไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของผู้รับไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะ คำถามข้อต่อไปจากคุณปุ๋ยค่ะระหว่างนั่งสมาธิมีอาการตัวหมุนจิตรวมหรือไม่คะเคยได้ยินพระอาจารย์สอนว่าเป็นมายาแต่รู้สึกว่าไม่เคยนิ่งเท่าครั้งนี้มาก่อนทำให้ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้ทำถูกต้องหรือไม่คะ่ะเคอถ้ามันหมุนอยู่มันไม่มันไม่เป็นสมาธิหรอกนอกจากมันหมุนปั๊บแล้วมันหยุด มันหมุนแล้วก็มันนิ่งสงบอย่างนี้ก็เป็นสมาธิได้การจะเข้าสมาธิของจิตแต่ละดวงอาจจะไม่เหมือนกันจิตบางดวงเหมือนจะต้องตกลงมาจากที่สูงตกลุมตกบอ่อจิตบางดวงอาจจะหมุนติ้วแล้วก็เหมือนตะขะเหมือนเหมือนอะไรเขาเรียกไอไอตัวที่หมุนหมุนเนีไยลุกค้า แล้วหมุนหมุนตี้วเสร็จแล้วมันก็หยุดหมุนปั๊บมันมันก็นิ่งถ้ามันหมุนไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ต้องมันต้องหยุดเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณสมคิดค่ะการบริกรรมพุทธโธต้องบริกรรมคู่ไปกับลมหายใจเข้าออกผมเข้าใจถูกต้องไหมครับไม่ต้องหลอกเลือกได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปนกันก็ได้แล้วแต่ถนัด และอยากขอคำแนะนำพระอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการเดินจงกรมที่ถูกต้องด้วยครับก็เหมือนกับนั่งนะแานที่ยาพุทโธตอนนั่งหรือดูลมตอนนั่งก็เดินไปก็พุทโธไปดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินระยะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเก้าสามสิบเก้าแล้วก็เดินกลับไปกลับมาคำถามข้อต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะ สัตว์เดรัจฉานเช่นหมูปลาไก่ที่ตายโดยไม่ได้สังค่าแล้วเป็นอาหารให้กับเราถือว่าสัตว์เหล่านั้นได้บุญจากการเสียสละหรือเปล่าครับไม่ได้เพราะเขาไม่ยินดีเสียสละถ้าก็ยินดีก็ได้ถ้าหมูตัวนี้บอกว่าวันนี้กูขอใบจากชีวิตนี้ให้กับพวกคุณทั้งหลายให้กินอย่างอิ่มหนำสำลานใจมันก็ได้มันต้องยินยอมถึงจะได้บุญ การที่จะได้บุญอย่างคุณมีสมบัตินี้คุณไม่ยินยอมจะให้นี่เวลาตายไปคนอื่นก็เข้าไปนี่คุณไม่ได้บุญแต่ถ้าคุณอยากจะได้บุญคุณต้องยินยอมแล้วให้เขาตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่ตายถ้าไปเขียนในพิธีกรรมนี้ก็ไม่รูวยเวลาตายไปจริงๆแล้วใครออกไปหรือเปล่าต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่จิตบริจาคอวัยวะ่ า, าีบริจาคตาบริจาคไตมีพี่น้อง สายเลือดเดียวกันใช้ไตเดียวกันใช้ไตของเราได้ใช้ตาของเราได้เราสงสารเ้าเลยแบ่งตาเขาสักข้างหนึ่งเขาตาบอดอย่างเงี้ยถ้าต้องไปจากตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรารู้รู้ถึงผลที่เกิดขึ้นว่าโอ้เราได้เสียสละของที่เรารักแล้วคนที่เราให้ไปเขาได้รับประโยชน์เราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยความสุขนี้แหละเรียกว่าบุญ แต่ถ้าเราตายไปเข้าตาไปให้ใครเราไม่รู้แล้วเอาตับเอาไตาไปให้ใครเราไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะเขียนพินัยกรรมมอบไว้ให้ก็ตามมันก็ยังไม่ได้เป็นไม่ได้กระทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขใจที่เกิดจากการบริจาคไป คำถามข้อต่อไปจากคุณพัฒนิชาค่ะการที่เรายึดติดกับนิกายธรรมยุตแต่แถวบ้านนิกายมหายานทำให้เราสดมนสับสนในบางครั้งเราควรทำอย่างไรคะก็อยู่ที่ไหนก็ทำตามที่เขาทำสิภาษาฝรั่งเขาว่า when in Rome do what the Romans do อ, อยู่ที่ไหนเขาเ้าเมืองแหล่ก็ต้องแหล่ตามเขานะ อยู่เข้าธรรมยุตธ์ก็ต้องสวดตามธรรมยุทธ์เข้ามหานิกายก็ต้องสวดตามมหานิกายคำถามข้อต่อไปจากคุณวนาสิริค่ะเวลาที่เดินออกกำลังกายแล้วเราท่องบทสวดไปด้วยเรื่อยๆหรือบางทีแผ่เมตตาไปเรื่อยๆทำแบบนี้ใช่ได้ไหมคะได้ถ้าทาแล้วไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ากำลังเจริญสติอยู่คาถามข้อต่อไปจากคุณพรค่ะ อยากไปบวชแต่ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากแต่สวดมนต์ไหว้พระและใส่บาททุกวันแต่ใจอยากจะทําตลอดเลยค่ะแล้วใจอยากจะทํานี้จะได้บุญหรือเปล่าคะก็เหมือนคนขับอยู่เลนซ้ายแต่อยากจะเข้าเลนขวาแต่ยังไม่มีกําลังไม่มีความเร็วพอที่จะเข้าเลนขวาได้ก็เลยต้องอยู่เลนซ้ายไปก่อนค่ะหอด้ะเหรอ คำถามข้อต่อไปกับคุณของคุณชาตินี้โชคดีที่สุดค่ะศาสนาพุทธสอนหลักของความเป็นเหตุผลแล้วแตกต่างกับวิทยาศาสตร์อย่างไรคะก็ไม่ต่างกันต่าตรงที่ว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องทางวัตถุแต่ศาสนานี้เกี่ยวกับทางด้านจิตใจ ศาสวิทยาศาสตร์นี้เกี่ยวกับรูปประธรรมต่างๆที่เห็นด้วยด้วยตาสัมผัสด้วยอะไรตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์แต่เรื่องของที่สัมผัสด้วยใจนี้เป็นเรื่องของศาสนาหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ